ยาสานุภาวตโตยาคานเณวทัตเซนติพิงสนังยามมีเจวานุยุนฉันโตอัจจตินทิวมาตานทิโตสุขังสุปติสุตโตจะปะปังกินเจตนะปัตสตี เอวามาทิคุณูเปตังปังกริตตังตังพันนาะเห การณียามาทกุสเลนายันตสันตังปะทังอภิสเมจะสะกววูชัวจะสูชัวจะสุวจจะสมุทวนาติมานีสันตัวสกวจะสูพังโรจะอาปกเกโจจะสันลากวุติสันตินทรยจะนิปกจะอาปคาพัวกุเลสวนานุเกตโทนนาจักัวธรรมาจังเรกิน ที่เยนาเวนปังเรอุปวัตเทโยสุขิโนอวาเขมิโนโหตุสพภัสสะตาภวันตุสุขิตตาตาเยเกจิปานะปุญติตัสสาวาถาวังกาวนาวเสสาธีขาวาเยวะมหันตามาชิมากราสกาอนุกัตุลาธิธาวาเยวะอธิธาเยวะทวนเร เวสันติอวิทูรเรือพวตาวสามภเวศวสามส萨ตาภวันตุสุเกตตาณปังรัวปังรังนิโกเพธนาติมันเยธากาธาจินากินจิพายางรวสนาปฏิขาสัญญาณญาแมนญาสัตว์ทวเขมเฉยยามตาญาธานิยังพัวตมายุสัยเอกพัวตมาโนรักเอว วามปิสาปะพัวแตสุมาณังภาวเยะอปันริมานังเมตัณจะสาพโลกาสสมิมานสังภาวเยะอปันริมานังอวดทางอโถจติริยัญจะอสงผาทางอเวงระมาสะปาตังติดทางจังรังนิสินโนวาสยาโนวาญาวาตาสวิตามิตโวเอตังสติงอะเทเถยยัม ธรรมะเมตตงวิหารรรมมิธรมาหุติเนจะอนุปคมมาเสวาวาาเสนนสัมปันโนกามสุวินัยเทางนิชัตุคาปิยะปูนเทต